บทที่20ไหสมบัติวันพระตอนค่มหลังจากหลานชายอิ่มข้าวแล้วและล้างถ้วยชามเสร็จ ยายจึงให้เข้าไปนํไหายสองลูกเข้ามาในเรือนเพื่อบรรจุเงินและทองไปฝังทำไมลูกมันเล็กจังล่ะไอ้หนูยายสั่งให้เอ็งซื้อลูกใหญ่มานหนินายายติงเมื่อเห็นของนี่ใหญ่สุดแล้วนะครับถ้ายายอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ต้องเอาองผมไปดูตั้งหลายร้านคนขายเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ขนาดเนี้ใหญ่ที่สุดอย่างงั้นหรือแต่ยายคลับคล้ายคลับคราว่าเคยเห็นไอ้ลูกที่ใหญ่กว่านี้พูดแบบไม่ค่อยแน่ใจนะยายจำผิดแล้วละ่ะสงสัยคงจะเห็นโอค์กระมังเอาอย่างนี้ดีกว่ายายถ้ายายอยากได้ใหญ่กว่านี้ผมจะเอาไปเปลี่ยนเป็นโอค์มาให้แต่ต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับ ไม่ได้หลอกหลานองใช่ไม่ได้ต้องใช้หายเพราะองปากมันกว้างคนโบราณเขาไม่ไดิยมเอามาใส่สมบัติฝังดินกันถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อมาเพิ่มยายกลัวจะใส่ไม่หมดใช่ไหมครับคงไม่ต้องรอกถ้าใส่ไม่หมดก็เหลือเก็บเอาไว้บนบ้านเผื่อโจรมันมาปล้นจะได้มีอะไรให้มันติดไม้ติดมือไปบ้าง ราบใดที่ผมยังอยู่โจรมันไม่กล้ามาปร้นบ้านเราหรอกยายผมรับรองใช่สิก็เองเป็นมหาโจรโจรธรรมดาหรือจักล้าสมพรปากเธอสาธุเขายกมือขึ้นสาธุรู้สึกว่าอยากเหลือเกินนะอยากในสิ่งที่เลวร้ายยายเทศค่อนข้างรุนแรง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 เองว่าจริงหรือเกล๋ล่ะคนอายุเจ็ดรอบย้อนถามผมรู้ว่ามันต้องเป็นของจริงแต่มันมากซะจนผมคิดว่ามันเป็นของเก๋ยายรวยจังเลยนะครับแค่นี้ยังไม่รวยรอกไอ้หนูทวดเองเขารวยกว่านี้อีกยายหมายถึงแม่ของยายเขามีร่วมสิไหายตรุษทีสงกรานที เขาก็เอาออกมาแจกลูกแจกหลานยายยังได้มาตั้งเยอะแล้วยายก็หามาเพิ่มอีกให้ได้มากมายอย่างนี้นี่ยายซื้อเพิ่มตั้งแต่ทองบาทละบาทจนเดี๋ยวนี้ขึ้นมาบาทละตำลึงแล้วหมายความว่าแต่ก่อนถ้าใครมีเงินหนึ่งตำลึงก็จะได้ซื้อทองได้หนักสี่บาทแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ ซื้อได้หนักแค่บาทเดียวอย่างนั้นเหรอครับถูกแล้วไอ้หนูค่าของเงินมันลดลงทุกวันทุกวันคนสมัยก่อนก็จึงนิยมสะสมทองกันยายอธิบายพรางแยกทองรูปพรร์ไว้เป็นพวกพวกเพื่อจะได้สำรวจว่าอยู่ครบหรือไม่ไอ้หนูช่วยยายแยกไว้เป็นกองๆ ก, กำไรข้อมือกองหนึ่ง กำไรข้อเท้ากองหนึ่งสายสะพายสร้อยข้อมือสร้อยคอเข็มขัดแยกไว้อย่าให้ปากปนกันล้านชายทำตามคลั้นแล้วก็พบร่างแหทองคำเขาจึงจับกลางออกดูพลางว่าโอ้โหตับปิ้งอันนี้ทำไมมันถึงได้ใหญ่นะักของยายเองหรือว่าของทวด เขาถามยิ้มยิ้มยายทำตาเขียวใสพรางว่าไอ้หนูอย่าคิดอกุศลวันนี้เป็นวันพระนะแม้ยายแล้วก็ชอบว่าผมอยู่เรื่อยถามแค่นี้ก็ต้องดุก็เองอยากคิดอกุศลทำไมล่ะอกุศลยังไงก็ผมอยากรู้ ไม่ต้องอยากรู้หรอกเอาเถอะถ้าเองไม่อยากได้ของสิ่งนั้นยายก็จะเอาให้หนางเหรียญมันป้าเหรียญแกโตแล้วคงไม่ใช่ตะปิ้งหรอกเองหวงก็ว่าเธอถ้างั้นเองก็เอาไปใส่ก็แล้วกันยายตัดสินผมเป็นผู้ชายนี่นาไอแบบนี้ก็ให้เด็กผู้หญิงใส่ผมเห็นเด็ก ผู้หญิงในหมู่บ้านเขาใส่กันอันไม่เห็นใหญ่เท่านี้เลยแล้วก็ทำได้งเงินไม่เห็นใครใส่ตะปิ้งทองสักคนหนุ่มน้อยบอกกล่าวคนที่ใส่ตะปิ้งทองคำต้องเป็นคนมีวาสนานะไอ้หนูถ้าบ้านไหนไม่มีบุญวาสนาขืนเอาตะปิ้งทองคำไปให้ลูกหลานใส่รับรองว่าเจ๊งทุกราย ยายใช้คำภาษาจีนระครับแสดงว่าคนที่เป็นเจ้าของต๊อกปิ้งอันนี้จะต้องเป็นคนมีบุญวาสนาคงต้องเป็นยายแน่เลยเพราะยายของผมเป็นคนมีบุญวาสนาพูดยิ้มยิ้มนี่รีบๆทเข้าวหมัวพูดมากอยู่นั่นแหละประเดี๋ยวก็ต้องลงไปช่วยกันขุดลุ้มอีกยายสั่ง เมื่อแยกเสร็จก็ตรวจนับนี่ไอ้หนูเองไปเอาสมุดมาจดไว้หน่อยไปยายแก่มากแล้วความจำก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่จดไว้ให้เป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าล้านชายจึงลุกออกไปยังห้องนอนของตนรู้สึกไม่พอใจที่ถูกใช้จึงเดินลงส้นตึงๆไอ้หนูเดินเบาๆ ขืนเองเดินแรงแงอย่างนั้นนะ่ะซับหนีหมดไม่หนีหรอกยายนอกเสีจากผมจะรักเท่านั้นคนเป็นหลานหันมาบอกเองจะรักของเองก็ตามใจซินี่เดินเบาๆเดินอย่างนั้นเขาเรียกคนไม่มีคุณสมบัติยายว่าเพราะหลานยังคงลงซ่อนตึง เดินยังไงมันตึงจะเบาละยายหนุ่มน้อยยัว่วก็ตั้งสติเวลาจะ ก, ก้าวเท้าก็กำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยายสอนเองมาตั้งแต่เล็กเล็กลืมจะแล้วหรือยังไม่ลืมหรอกครับแต่ไม่ค่อยไดเอามาใช้ถ้าอย่างนั้นผมก็จะใช้เดี๋ยวนี้เลยว่าแล้วเขาก็ค่อยๆย่องปากว่า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 สายสะพายหนัก8บาทสามเส้นหนุ่มน้อยจดหากเขียนเลขสามเป็นเลขสองด้วยหมายว่าจะขโมยไปขายหนึ่งเส้นนั่นมันเลขสองนี่ไอ้หนูเลขสามเขาไม่ได้เขียนอย่างนี้ยายท้วงถึงจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ยายก็จงได้ว่าเลขหนึ่งถึงเลขศูน์นั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร นุมน้อยจึงจำต้องเปลี่ยนจากเลขสองมาเป็นเลขสามบ่นในใจว่าแม้อยากให้ยายฉลาดน้อยกว่านี้สักสิบเท่าพับผ่าสิอา้าวต่อไปกำไรข้อมือนหนักสองบาทแปดเส้น กำไรข้อเท้าข้างละสามบาทสอันสร้อยข้อมือเส้นละ1ิบสลึงห้าเส้นเส้นละหกสลึงสามเส้นสร้อยคอสี่บาทสองเส้นห้าบาทสองเส้นสิบบาทหนึ่งเส้นเข็มขัดหนัก20สิบบาทกับ30บาทอย่างละเส้นตัปปิ้งหนักห้าบาทหนึ่งอันทุกครั้งที่หลานชายจด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 ตามที่ยายบอกนึกกระยิมในใจว่าจะได้ยักยอกเอาไว้สิบบาทเอ็งตกเลขแล้วไอ้หนูยายแกล้งลองใจหน่อยเดียวเอ็งก็แกล้งบวกผิดเกิดยายบอกว่าร้อยหสองรับรองเอ็งโวยวายเชละจริงไหมคนเป็นยายรู้เท่าทันแหมจริงๆนะถ้ายาย จะฉลาดน้อยกว่านี้สักสิบเท่าผมจะรักยายมากกว่านี้อีกร้อยเท่าหลานชายบน่นพึมพำแต่ยายไม่ต้องการให้เอ็งรักมากมายถึงปานนั้นหรอกไอ้โนยายไม่อยากเป็นควายให้เอ็งจูงจะูมกเล่นยายให้เหตุผลจากนั้นจึงหาผ้าสบายเก่าๆมาตัดเป็นท่อนๆแล้วห่อไว้อย่างละหอ่อ รวมทั้งหมดเจ็ดหอแล้วลำเลียงลงหายซึ่งเต็มพอดียายไม่ขยักไว้บ้างหรือก็ไหนยายว่าเผื่อขโมยมันมาปล้นจะได้ไม่เสียศักดิ์ศรียังไงละ่ะล้านชายทักท้วงไม่เป็นไรหรอกไอ้หนูเดี๋ยวขยักเงินไว้แทนเงินของเรามีเยอะหายหนึงใส่ไม่หมดหรอก แล้วยายจึงเดินไปหยิบห่อเงินที่ซ่อนไว้หลายที่ห่อผ้าไว้บ้างใส่กระบอกไม้ไผ่บ้างใส่ปี๊บบ้างไอ้หนูเงินกรมในกระบอกมันหายไปไหนหมดยายจำได้ว่ามีเป็นร้อยๆก้อนยายถามเมื่อเห็นว่ากระบอกที่ใส่เงินกลมเอาไว้เต็มนั้นว่างเปล่าไม่รู้สิยาย ผมไม่เคยไปยุ่งกับมันล้านชายไม่ยอมรับรู้ก็เขาขมโมยไปโยนหลุมทุกวันพระสมัยที่ยายไป ร, รักษาอุโบสถศีลและนอนค้างที่วัดเอ็งไม่ยุ่งแล้วใครจะไปยุ่งก็มีกันอยู่สองคนเท่านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ยายเอาไปใช่หรือใช้หมดแล้วก็เลยลืม คนเป็นหลานโยนความผิดมาให้บุพการีไม่ใช่แน่เรื่องอะไรายายจะเอาเงินกรมไปใช้ในเมื่อเงินเรียนยายมีออกเยอะแยะแล้วเงินกรมก็ใช้ได้เสี้ยที่ไหนนอกจากว่าเอาไปแลกเป็นสตังแดงเองยอมรับมาตรงตรงดีกว่าว่าขโมยของยายไปขายหมดอย่าโกหกนะวันนี้เป็นวันพระ ใครโกหกต้องบาปเป็นสองเท่าเรื่องอะไรผมจะยอมรับในเมื่อผมไม่ได้ขโมยนมน้อยยังปากแข็งแน่ใจนะเองไม่ได้โกหกแน่นะยายคาดขันแน่ครับยายเอาอย่างนี้นะถ้าผมขโมยของยายไปขอให้ผมถูกฟ้าผ่าเขายังย้ำว่าตาย ไม่ทันตั้งแต่ยายเล่าเรื่องยายที่ชอบสาบานให้ฟ้าผ่าตายถูกฟ้าผ่าตายจริงๆทั้งที่ได้หนีไปแอบอยู่ในองค์นมน้อยจึงต้องเปลี่ยนจากขอให้ผมถูกฟ้าผ่าตายมาเป็นขอให้ผมถูกฟ้าผ่าเฉยๆอย่าสาบานไอ้หนูประเดี๋ยวเองจะต้องถูกฟ้าผ่าเข้าสักวัน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 ยายไม่อยากให้ใจเศร้ามองเอาละมาช่วยกันเอาเงินใส่หายที่เหลือก็ใส่ปี๊บไว้ตามเดิมเสร็จแล้วจะได้ลงไปช่วยกันขุดหลุมเมื่อคาดว่าบ้านอื่นเขาหลับนอนกันหมดแล้วยายกับหลานจึงลงมาช่วยกันขุดหลุมที่ใต้ถุนบ้านขุดเสร็จก็นำหไหบรรจุทองและเงินลงฝังเอาดินกรบและปรับดินให้เสมอกัน เอาขี้ควายยาทับเหมือนกับยาลานข้าวจากนั้นก็เอากระพร้อมทับไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วจึงพากันขึ้นบ้านยายเข้าห้องพระทำวัดสวดมนต์แล้วก็เข้านอนวันพระยายไม่ให้หลานชายนวดเพราะต้องการจะรักษาพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์หนุ่มน้อยล้างมือล้างไม้เสร็จก็เตรียมตัวเข้านอน เขามีแผนอยู่ในใจวันพระหน้าเมื่อยายไปจำศีลที่วัดเขาจะขโมยขุดทองของยายยักยอกเอาไว้สักยี่สิบบาทเมื่อแบ่งกับป้าเหรียญแล้วเขาก็จะได้มีมากกว่าแกคิดได้อย่างนี้แล้วก็ไหว้พระสวดมนต์เมื่อสวดจบก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเจ้าประคุณวันพระหน้าขอให้ลูกจ้าง จงขโมยทองของยายสำเร็จเถอะแล้วจึงล้มตัวลงนอนวันนี้เขาจำเป็นต้องสวดมนต์ไหว้พระเพราะมีเรื่องให้ท่านช่วยตั้งใจไว้ว่าจะสวดมนต์อธิษฐานจิตเช่นนี้ทุกคืนกระทั่งลักทองยายได้สำเร็จค่อยเลิกถ้าคิดจะขโมยอีกค่อยสวดอีกง่ายออกจะตายไป ยังไม่ทันจะหลับหนุ่มน้อยก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่ามาเรื่องนี้จะมีลิเกชื่อดังมาเล่นที่วัดโบสถ์เขาจะต้องพาพวกสาวๆไปดูลิเกแล้วก็ทำหน้าที่คุ้มครองดูแลนอกจากนั้นยังต้องซื้อขนมเลี้ยงพวกหลอนด้วยโอกาสสำคัญเช่นนี้น่าจะมีเสื้อตัวใหม่ใส่ไปอวดสาวๆสักตัวหนึง่ง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 หนุ่มน้อยรำพึงกับตัวเองพรางเอามือกายหน้าผากและแล้วสมองอันเจียบไวก็สั่งว่าไปขโมยเงินยายสิเงินที่เหลือจากใสาหายนะ่ะรู้ที่ซ่อนแล้วนี่นาแต่แล้วสมองอันเดียวกันนั้นก็ค้านขึ้นว่าอย่าเลยประเดี๋ยวยายตื่นมาจับได้ยิ่งเป็นคนนอนไวอยู่ด้วยหนุ่มน้อยคิดหนะักคิดหาวิธีขโมยเงินยาย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 สวดเสร็จจึงตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจคุณพระเสีวรัตนไตรยัยและอำนาจบา ร, รมีของพระผู้พิชิตมารจงดนบันดาลให้ลูกช้างขาโมยเงินยายได้สําเร็จด้วยเถิดพระเจ้าค่าอธิษฐานเสร็จจึงกราบสามครั้งลุกขึ้นเดินไปยังห้องยายพยายามเดินให้เบาที่สุดด้วยการกําหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ กระทั่งถึงหน้าห้องใหญ่วางตะเกียงไว้หน้าประตูแล้วผลักอย่างเบามือเมื่อประตูเปิดออกจึงย่องเข้าไปแง้มประตูไว้ให้แสงตะเกียงลอดเข้าไปในห้อง นมอายุสิบหค่อยๆ ย, ย่องไปที่ปี๊บใส่เงินซึ่งยายวางไว้ใต้เตียงแต่ละก้าวจะกำหนดขวาย่างหนอและซ้ายย่างหนอครั้นถึงหน้าเตียงยายพริกตัวเขาหยุดเดินพรางกำหนดยืนหนอยืนหนอห้าครั้งทั้งที่ใจแทบหยุดเต้นสงสัยพระคงช่วยเพราะยายพริกตัวหันหน้าเข้าข้างฝา หนุ่มน้อยรู้สึกโล่งใจจึงกำหนดนั่งหนอนั่งหนอะสามครั้งแล้วค่อยๆนั่งลงตรงใกล้ๆหัวเตียงยายเอาปี๊บวางไว้ชิดข้างฝาด้านหัวนอนเขาต้องคลานเข้าไปใต้เตียงพยายามทำอย่างเบามือที่สุดเพื่อไม่ให้ยายตื่นคลานหนอเอามือล่วงลงไปในปี๊บหนอหยิบสตางค์มาหนอ ใส่กระเป๋ากางเกงหนาเต็มแล้วหนอกลานออกไปหนอลุกขึ้นยืนหนายืนหนายืนหนากลับหนอกลับหนาเมื่อกลับเสร็จเขาไม่กําหนดยืนหนาห้าครั้งหากรีบเพ่นออกไปจากห้องเพราะกลัวยายจะตื่นขึ้นมาเห็นได้เงินมาเต็มกระเป๋าแล้ว เขาก็เดินกลับไปที่ห้องนอนหลับฝันหวานนึกขอบคุณยายที่สอนวิชาเดินเบาให้ถ้ายายรู้ว่าเขาได้นำวิชานั้นมาเปลี่ยนเป็นย่องเบาแล้วก็เข้าไปลักเงินยายสงสัยคงลมจับแล้ววันที่หนุ่มน้อยรอคอยก็มาถึงเขาอาบน้ำแต่งตัวแต่หัววันหวีผมเรียบแย้ใส่น้ามันจนเยิ้มไปทั้งศีรษะ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 ขนมบ้านเรามีเยอะแยะทั้งส้มสูกลูกไม้มีให้กินไม่เคยขาดทาไมต้องไปซื้อเขาผมเบื่ออยากกินไอท้ที่ไม่มีในบ้านเรานนะหนุ่มน้อยว่าถ้าเช่นนั้นก็อยากต่อไปเถอะยายไม่มีวันให้เองหรอกมีเยี่ยงย่างที่ไหนไอ้ที่มีไม่กินจะกินที่ไม่มี ยายพูดแบบตัดรอนถ้าเช่นนั้นผมไม่เอาก็ได้นึกแล้วเชียวว่าคนขี้เหนียวอย่างยายจะต้องไม่ให้คอยดูหน้อีกหน่อยผมรวยยายอย่ามาขอผมผมจะไม่ให้เด็ดขาดขอให้เองรวยจริงๆเธอไอ้หนูแต่ยายจะไม่ขอเองหรอกยอมอดตายยังดีเสียกว่าว่าแต่ว่าเสื้อตัวเนี้ย ยายไม่เคยเห็นเองใส่ไปเอามาจากไหนละ่ะยายถามเมื่อเห็นเขาใส่เสื้อตัวใหม่เอี่ยมอ่องเรื่องของผมถึงยังไงก็ไม่ได้เอาเงินยายไปซื้อก็แล้วกันขอให้มันจริงเถอะเอาล่ะเองจะไปไหนก็ไปและอยากกลับมาให้ดึกนักละ่ะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนยายเตือนไว้ก่อนครับ ทาลิเกลเลิกเร็วรับรองว่าผมก็กลับไม่ดึกและถ้าเขาเล่นคืนยังรุ่งเองก็กลับเช้างั้นสิก็คงจะเป็นอย่างนั้นผมไปละหนุ่มน้อยทำเป็นขัดเคืองด้วยต้องการแสดงละครให้แนบเนียนยายจะได้หายสงสยัยคนอายุ84มองตามพลางสายหน้าอย่างระอาไอ้หนูเอ้ย ชาติหน้าขอให้เอ็งมาเป็นยายแล้วให้ยายไปเป็นเอ็งดูบ้างแล้วเอ็งจะรู้สึกยายพูดคนเดียวรั้นนึกขึ้นได้ว่าหากยายเกิดเป็นเจ้าแกรก็ต้องก่อกรรมทำเข็นสะสมบาปกรรมใส่ตัวไม่เว้นแต่ละวันจึงเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าชาตินี้เรายังไม่ทำบาปแล้วเรื่องอะไรชาติหน้าจะไปทำ ขอเกิดเป็นเ ย, ยจ่างอย่างเดิมดีกว่าหรือหากมีบุญวาสนาพอขอขอให้สำเร็จเป็นพระอนาคามีตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในสวรรค์ชั้นสุทาวาสไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเบื่อเลือกเกินแล้ว